ทำได้ยังไงหัวใจทำาด้วยอะไรทำไมจะฆ่าตนเองเออแล้วจะไม่จะเป็นฆ่าคนทั้งลำคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วมันใจน้อยนะตุกตุบตอมตอมตุมุเออไม่ว่าใครละ่ะขึ้นไปอยู่ในเครื่องบินขนาดเครื่องบินตกกลุ่มอากาศเท่านั้นแหละก อ, อใจอย่างบูกวาบล่ะอันนี้จะทำยังไงลดระดับลงไปพอมารู้ได้ที่ไหน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 จิตใจจะเข้ามาหาตัวผู้รู้ยึดตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นะรู้ตัวนะนี่แหละมันเป็นเข้าเข้าสมาธิในตัวแหะมันลักษณะเป็นฌานแหละที่ไหนเป็นความรู้นะถ้าว่าตายในขณะที่นั้ น, นตัดตัด ต, ตายขณะที่ตัวเองอยู่กับตัวผู้รู้นะนะั่นแหะอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ถ้ามากกว่านั้นก็ไปพรหมนะ น, ะนี่ยเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบได้นะ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 ถึงข่าวจวนเจียนจําเป็นสำคัญอย่างที่หลวงพ่อพูดนะว่าเมื่อเครื่องบินจะตกในช่วงนั้นใจเขาคิดอะไรนะถ้าผู้ปฏิบัติทรรมแล้วก็ใจก็จะต้องวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้เข้ามาหาใจแต่เดียวหาตัวผู้รู้ใจจะนิ่งสงบนะพอนิ่งสงบตอนนั้นะเกิดบางทีมีบุญวัดาสนาบารมีเกิดฌานขึ้นมานะพอตายป๊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 ออไม่ใช่ก็ต้องใช่เพราะนั้นหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงเพราะนั้นเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงได้ถึงแผงเพียงแค่นั้นแต่เลี้ยงจิตใจตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนั้ น, นะ่ะมีแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นะให้เน้นเรื่องเลี้ยงจิตใจคือนามธรรมมโนปุพังค ม, าามมาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรคือคือใจคือตัวผู้รู้รู้รู้นั่นคือใจพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับ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 ถ้าว่ารถมันตายคนจะขึ้นฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะนะถ้าหม้อน้ํามันแตกสัอย่างละ่ะเสียอย่างเครื่องมันพังสัอย่างเอจะเป็นฝีมือขนาดไหนถ้าขึ้นไปขั บ, ขบรถตายไปไม่ได้เออนี่คงเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยถ้าหัวใจอุดตันสักเส้นเลือดแตกในสมองสักมีรถเยอะแยะไปที่มันจะตาย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 พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมให้พวกเราฟังเอาไว้นะตายแลย้วไม่สูญตัวนามธรรมตัว น, นั้นจะไปหาเกิดอีกเหมือนกับโซเฟอร์อย่างที่หลวงพ่อพูดนะโซเฟอร์ออกจากร่างนีแล้วไปที่ไหนถ้าหากว่าโซเฟอร์ไม่ได้ขนขวายไม่ได้สร้า ง, งบุญสร้างกุศลมีแต่ทำความชั่วอยู่ตลอดเวลา